เหมือนสระหรือบึงน้ำใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไม่พลิ้วไม่สั่นไหวสใสกระจ่างมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่เป็นเรียวคลื่นและฝุ่นละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมดสนุ่มนวลแคล่วคล่องควรแก่งาน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 ปริสุทธบริสุทธิ์ 3. ปริโยธาตะผ่องใส 4. อ่อังคณะโปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา 5. วิคตูปกิเลตปราศจากสิ่งมัวหมอง 6. มุทุภูตะนุ่มนวล 7. กรร ม, มนิยะควรแก่งาน 8.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 วิจิกิจฉาพิกษุไม่ละทำห้าประการที่เป็นเครื่องปิดกัน้นเป็นนิวร์เป็นสิ่งที่กดทับจิตทําปัญญาให้อ่อนกําลังแล้วจกรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักประจักแจ้งซึ่งญางนทัศนะอันวิเศษที่สามารถทําให้เป็นอริยะซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กําลังข้อนี้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 เดือดพล่านมีไอพรุ่งคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ <3. S 2> ไม่เห็นตามเป็นจริงสจิตที่ถูกถีนามิทรครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ถูกสารายและจอกแหน่ปกคลุมคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ <4. S 2> ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงสี่ จิตที่ถูกอุดทะจักกุกดักครอบงำเปรยียบเหมือนพาชนะใส่น้ำที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในพาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงหจิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำเปรยียบเหมือนพาชนะใส่น้ำที่ขุนมัวเป็นตมซึ่งวางไว้ในที่มืด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 และมีอุปมาต่างๆตรงข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้วในอุปกิเลสสูตรอังคุตตระนิกายปัญจการนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งทองห้าอย่างต่อไปนี้ทองเปื่อนปนเข้าด้วยแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไม่อ่อนไม่ควรแก่งานไม่สุกปลังเปราะไม่เหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไร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 เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายฉันนั้นห้าอย่างเป็นชะไหนได้แก่กามฉันทะพยาบาทถีนามิทะอุทธจากกุกุจจะและวิจิกิจฉาเมื่อใดจิตพ้นจากอุปกิิลสห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสไม่เปราะเสาะและเป็นสัมมาสมาธิ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 เหมือนเปลว เ, เทียนในที่สังัดรมติดไฟอยู่สงบนิ่งลุกไหม้ไปเรื่อยๆส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเป็นอย่างดี